พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่ตําบลขยาศรรีสะตําบลขยาศีสะก็คือสถานที่ที่พระองค์แสดงอธิตตยายยสูตรพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นตามพุทธาภิรมตามความยินดีของพระองค์นะคำว่าพุทธา พ, พิรม์เนี่ยหมายความว่าพระองค์อยู่ณที่ใดแล้วก็โปรดสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่มวลเวนัยศัตว์ได้พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่น เมื่อเสร็จกิจในการสงเคราะห์บุคคลชุมชนที่นั้นแล้วพระองค์ก็จะเสด็จจาริกต่อไปจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัว์ทั้งหลายาพระองค์ก็จ่าริกไปโดยหนทางจะไปสู่พระนครราชครึกพระนครราชครึกก็จากแถวแถวขยาศีษะไปราชครึกก็ประมาณร100อกิโลเมตรน่ยนะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่พระองค์ก็เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสองหมูใหญ่จํานวนพันรูปล้วนแต่เป็นปุรานาชิน เสด็จจาริกโดยลําดับถึงพระนครราชเครือแล้วทราบว่าพระองค์ประทรับอยู่ใต้ต้นไทรชื่อว่าสุประดิตเนี่ยนะสุประดิตก็เป็นต้นไทรที่มีร่มเงาร่มเย็นมากต้นทรายต้นนี้เขาเรียกว่าเป็นเจดีเป็นต้นไทรที่เครารพสักการะของหมู่ชนอยู่ในสวนตานหนุ่มเขตพระนครราชเครือ ก, ก็ไม่ไกลาจากไม่ห่างจากพระนครราชเครือไปเท่าไหร่ พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคธราชได้ทรงสดับข่าวถนัดแน่ว่าพระสมณโคโดมศักยะบุตรผนวดจากศักยะตระกูลสเสด็จถึงพนครราชครึกโดยลำดับประทับอยู่ใต้ต้นไสชื่อว่าสุประดิเจดี JD ในสวนตานหนุ่มเขต พ, พนครราชครึกนะนะแล้วก็ตอนแรกนี่ก็เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเป็นนักบวชหนุ่มนะที่มาครั้งแรกเมื่อเจ็ดปีก่อนเนี่ยนะเมื่อเจ็ดปีก่อนนี่ก็เป็นเพิ่งบวชสดๆเลยนะ เพิ่งบวชวันเดียวด้วยซ้ําไปเพิ่งบวชบวชเจ็ดวันเนี่ยนะบวชเจ็ดวันนี้เข้ามาที่นั่นบัดนี้เจ็ดปีผ่านไปเนี่ยมาในฐานะพระพุทธเจ้า ว, ว่ากิตติสัทโทอปุคโตเนี่ยนะก็คือเอวัง e กัลลยาโนกิตติสัทโทอปุคโตก็คือก็แล ก, กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือของพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า ก็คือตังโคปะณะพะคะวันตังเอวังกัลลยาโกิติสัทวะปุขาโตอิติปิโสพะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธนะั่นะก็คือจะมีชื่อเสียงอันเนี้ยไปก่อนเลยกระจายไปก่อนว่าแม้เพราะเหตอุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าตามอัฏฐ Look, นะต้องแปลทุกคำนะอิติปิโสเข้ากับทุกบทมาแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอนสุขโตเสด็จไปดีแล้วแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าโลกวิถูรู้แจ้งโลกแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระองค์เป็นอนุตโรบุริสธรรมสารติคือผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่า นะแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ส า, าธาเทวมนุษย์นังพระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระองค์เป็นพุโทโธคือเป็นพระพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่าง น, างนี้พระองค์เป็นพักวะก็คือผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเป็นต้นนั่นแหละพระองค์นั้นเนี่ยนะทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้ว หมายถึงว่าปัญญาของพระองค์เนี่ยรู้แจ้งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์รู้แจ้งอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ยังสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมมาณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้เมื่อรู้แจ้งแล้วก็ไม่เก็บเอาความรู้ไว้แต่เพียงลําพังพระองค์เดียวพระองค์ก็ยังสอนมวลเวนยศัสตร์ทั้งหลายด้วยใจอนุเคราะห์พระองค์ก็สั่งสอนแสดงธรรมเนี่ยนะแสดงอริยศาสตร์ธรรมเป็นต้นเนี่ย งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพระองค์ประกาศศา ส, สนาพรหมจันทร์และก็มัรคพรหมจันทร์เนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะ mm hmm. แล้วก็สมัยนั้นเขาเชื่อว่าการได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นป <ST> <AN> านนั้นเนี่ยเป็นความดีมันดีที่สุดแล้วที่ได้เห็นเนี่ยนะแค่ได้เห็นเนี่ยก็เป็นความดีเขาเชื่อว่าการเห็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นทัศนานุตริยะเขาเชื่อว่ามันเป็นการเห็นที่ดีมากนีนะ เพราะว่าการมีศรัทธาการเข้าไปหาการนั่งใกล้เพื่อจะได้เงี่ยโสดลงฟังคําของพระอาหารหันต์ทั้งหลายถ้าเข้าใจอัฏฐะ า, าสิทธแห่งพระอาหารหันต์ทั้งหลายแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขเนี่ยนะนั่นจะเป็นไปเพื่อความประเสริฐเขาเชื่อว่าการเห็นพระอาหารหันต์เนี่ยดีแท้เนี่ยนะแล้วก็ พระเจ้าพิมพิสารนิคมระลึกได้ว่าเคยอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าว่าถ้าตรัสรู้แล้วให้เสด็จมาโปรดในแวดแควนของพระองค์ก่อนในจริงแล้วแถวแถวตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแถวพุทธขยาจริงๆก็ยังอยู่ในเขตเถือว่าอยู่ในแขวนมคธอยู่นะอยู่ในแขวนมคธอยู่เพราะว่าแควนมคธเนี่ยถือว่าเป็นแขวนใหญ่มากสมัยนี้คือรัฐพิหาร น, นั่นแหละรัฐพิหารก็เป็นรัฐที่ใหญ่สมัยใหม่เขาเรียกว่ารัฐพิหารก็คือรัฐวิหารนิหารก็แปลว่าวัดนั่นแหละ รัฐที่ขุดตรงไหนก็มีแต่ซากอิดซากตึกเนี่ยนะก็มีแต่ซากอิฐที่เขาสร้างวัดอ่ะก็เลยเรียกว่ารัฐนี้เป็นรัฐพิหารรัฐพิหารก็มีอยู่หลายจังหวัดด้วยกันเนี่ยนะมีอยู่หลายจังหวัดเช่นจังหวัดนารันทาจังหวัดขยะอะไรเนี่ยอย่างทั่วๆไปที่เราไปก็ไปจังหวัดนารันทาไปจังหวัดขยะเนี่ยนะแล้วก็ข้ามไปอีกร right. ัฐหนึ่งคือรัฐอุตรประเทศเนี่ยนะยูอ่ะรัฐยูพีไปพาราณสีไปกุสินาราแล้วก็ข้ามไปเนปาลกันส่วนใหญ่ก็จะไปไปสองสามรัฐด้วยกัน แต่ก็มีหลายจังหวัดนะแต่ละจังหวัดของเขาก็คือลักษณะจังหวัดเขาก็เหมือนอำเภอบ้านเราเนี่ยนะเพราะว่าอาคารเคหสถานเป็นต้นเนี่ยพรารับที่เราไปถือว่าเป็นรับยากจนที่สุดนั้นคนก็จะได้ไปเห็นแต่อินเดียในสภาพที่ยากจนเนี่ยนะแต่ไม่ได้ไปแบบรับที่ร่ำรวยรัฐมหาเศรษฐีเช่นบอมเบย์เป็นต้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปกันใช่ไหมเราก็จะไปแต่รับคนยากก็เลยว่าโอ้ยอินเดียจนจนนะนะแต่รัฐมหาเศรษฐีเราไม่มีโอกาสได้ไปเนี่ยนะ ประมาณก็ว่ามาม า, มาที่ไปไปไปบ้านเมืองใครก็ไปเที่ยวแต่สลัมเขาก็ น, นึกว่าเขาจนหรือเกินเนี่ยไม่เห็นแต่สลัมมาก็เลยดูถูกดูแคลนเขาเนี่ยนะจริงเออเนี่ยนะใครดูถูกใครไว ม, มากคนนั้นเลยจะเป็นเช่นนั้นแหละเอาสิ่งที่เราจะเห็นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเป็นถ้าทําบุญไว้ไม่ดีจะไปไหนมันก็วนๆ น, น, นี่นะระบบไหลเวียนใช่วะะัดตามก็แปลว่าไหลเวียนเวียนจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งใครจะรู้ว่าว น, นั่ะต้นตระกูลของเราเนะี่ะ นำสกุลนำหน้าก็อาจจะสายพันธุ์เหล่านั้นก็ได้ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมที่จะนําออกจากวัตต ะ, จะเจริญ ม, มานะไว้ให้มากๆเคยจะไปไหนมานะมากๆเนี่ยนะกับอะไรนะตรีมากๆมานะมากๆที่สุดจะไปไหนนั่นแหละต้นตระกูลเราเนี่ยนะลูกหลานอนันทเศถียรานันทเสถียรเนี่ยอีกชาติหนึ่งเป็นยังไงนะทุกยากมากก็ไปในตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะก็ไปแล้วก็ถ้าคิดนะถ้าใครไปอินเดียแล้วไม่คิดจะอยากเห็นอริยสัจของมาว่ามันเกินไป เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันน่าจะออกเลือเกินเนี่ยวัตตาไม่น่าอยู่แต่เชื่อไหมถ้าอยู่ไปนานๆแล้วอาหารมันก็อร่อยอะไรมันก็ดีอุย้ยผักก็กรอบนะเอ๊มมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดนะก็เลยอยู่ได้เลยกรเนี้ตกลงวัตตาก็ยังรื่นเริงเสมออะไรนะยังกระไยังน่ารื่นรมอยู่เสมอว่างั้นเนี่ยที่สุดก็จะไปนะกวนๆอยู่แถวนี้แหละอาหารดีอร่อยอร่อยนะ่นเลยโอ้ยตอนแรกว่าโอ้ยแล้วท่านจะไปทานอาหารเขาได้เลยว่างั้นโอ้ย ก็ถ้ามีอาหารแขกอาหารไทยเรือกอนไหนก่อนคงเรื่องอาหารแขกก่อนตอนแรกบอกอ๊ย้ยขาดขาดอาหารบ้านเราได้หรือตอนหลังบอกอุย้ยอาหารบ้านเราไม่ไม่เอาได้ไหมก็เป็นอย่างนั้นแ่ละนะย้อนกลับมานะว่าการที่เขาเชื่อว่าการพบเห็นผ้าอาหารเนี่ยเป็นความดีที่จริงช่วงนี้ก็ที่อยากบรรยายเรื่องนี้เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าจะไปแล้ววันที่สิบเอดนี้ก็จะไปแล้ว ก็จะได้ อ, อะไรนะทบทวนซาก่อนแล้วค่อยไปอย่างเี้นะก็ทบทวนคนเดียวก็าเหงาชวนคนอื่นมาทบทวนด้วย น, นะนก็เลยเรียนพุทธวงศ์ให้มันเยอะๆก่อนเนีนะเดี๋ยวก็ไปละหลังจากนั้นเนี่ยนะพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาะมาคตราชส่งแวดล้อมด้วยพรามเครืหาบดีชาวมาคธสิบสองนหุดนหุดละหมื่นก็ประมาณแสนสองเนี่ยนะ เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งส่วนพรามหมณ์เครือหบดีชาวมาคตสิบสองหนหุตนั่นแหละสิหนหุสิบสองมื่นเนี่ยนะแสนสองเหล่านี้ก็บางพวกก็ทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการทูลปราศัยพอให้บันเทิงเนี่ยนะสัมโมสนิยกถาสารานิยกถาก็คือพูดให้มัน กขาพูดแล้วทุกคนทั้งฝ่ายพูดและฝ่ายฟังก็สบายใจเขาเรียกว่าสัมโมสนิยัคถาสารานิยัคขาก็คือคําพูดที่ทําให้ระลึกถึงความหลังของกันและกันด้วยอะไรนะด้วยมิตรภาพนะระลึกถึงความหลังที่ที่เคยอะไระคือคือระลึกถึงแต่คุณงามความดีของอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็เจอหน้ากันก็บันเทิงร่วมกันแล้วก็พูดถึงพูดกะกันและกันด้วยถ้อยคําที่ระลึกถึงกระหว่าพูดก็มีความสุขระลึกถึงก็เป็น เปนสุขเรียว่าสัรหาแต่เรื่องสบายใจมาคุยกันว่างั้นอันนี้พวกที่หนึ่งเนะแล้วก็คุยเสร็จก็นั่งลงอีกพวกหนึ่งก็มาถึงก็ประคอยกมืออัญชลีทางพระผู้มีพระภาคเจ้ายกมือไหว้นะยกไหว้ไม่ไหว้ไม่รู้แหละเสร็จแล้วก็นั่งลงไอเหตุผลที่บอกว่าทำไมยกมือไหว้ก็ถ้าไม่ไหว้เดี๋ยวเขาจะว่าเอากลัวว่าเดี๋ยวพวกสัมมาทิฏฐิบอกทําไมท่านไม่ไหว้เอ้ยยกมือไม่ใช่ว่วายเหรออ่ะเดี๋ยวพวกมิจฉาทิฏฐิก็บอกเอา้าทําไมท่านไปไหว้ เอ้ยกมือก็ยังเรียกว่าว่ายอีกหรือฟังนี่ก็ถูกทั้งขึ้นทั้งร่องว่างั้นเถอะเรียกว่าเป็นพวกพวกอะไรนะพวกกลุ่มค่อนข้างกรล่อนหน่อยนะก็ยกมือเนี่ยบอกเอ้ ย, ยกทําไมท่านไม่ไว่ายเอ้ยกมือไม่ใช่ว่ายหรอเอ้าทําไมท่านไหวทํามิจฉาทิฏฐิเขาทวงเอ้ยกมือก็เรียกว่าว่ายด้วยหรอก็เขา้าเข้าทางหมดเลยนะก็เลยยกมือไหวไปงั้นบางพวกก็ประกาศนามประกาศโคตรในสํานัก ผู้มีพระภาคเจ้าพวกนี้จะได้รู้ว่าชาติตระกูลชั้นไม่ธรรมดานะโอกาสจับโชว์ตัวเองก็เพิ่งเปิดเผยวันนี้สมาคมทั้งแสนสองเลยนะประกาศชื่อเสียงเรียงนามโคตรตระกูลตัวเองเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันตกยากก็ทําไงได้ก็ต้องประกาศให้คนอื่นเขารู้แรงหน่อยนะคนอื่นเขามองไม่เห็นอีกบางพวกก็นั่งนิ่งไม่สนใจพวกนี้เดี๋ยวถ้าเกิดคุยกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมเมื่อมีการพูดคุยกันมันกต้องไปมาหาสู่กันมันต้องเสียของฝาก ถ้าเข้าไปหามันก็ต้องนั่งกราบต้องไหว้ถ้ามีการพบปะกันก็ต้องถวายอาหารต้องถวายปัจจัยสีมีแต่สิ้นเปลืองอย่างเดียวนั่งเฉยๆดีกว่าถามว่าทําไมจึงมาบอกเกรงใจพระราชาเนี่ยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเว็นนั้นเป็นวันประชุมใหญ่ก็เลยพ ร, พ, รพระเจ้าพิมพิสารไปก็ต้องตามเสด็จหมดใครจะบายเบี่ยงไม่ได้ก็เลยต้องตามเสด็จพระราชาไปครั้งนั้นพรามหม์ครือขาบดีชาวมาคตสิบสองนหุตก็ได้มีความคิดว่า พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรย์นในท่านอุรุเวลกัสปะหรือว่าท่านอุรุเวลกัสปะประพฤติพรหมจรรย์นในพระมหาสมณะใครสิทธิ์ใครใครอาจารย์กันแน่ฟังแล้วงงเพราะว่าพระมหาสมณะเป็นนักบวชหนุ่มมาใหม่ใช่ไหมฟังดูน่าจะว่าคนใหม่ต้องบัมาเป็นลูกศิษย์ของคนเก่าใช่ไหมเออเอาอีกทีเอดูเหมือนไอ้คนเก่าเป็นลูกศิษย์ของคนใหม่ไอ้ใครเป็นใครกันแน่เลยงงละลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบความคิดของพราหมณ์ขึ้นหาบดีชาวมคตสิบสองนหุ่นั้น ด้วยพระไถยของพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระอุรุเวลกัสปะด้วยคาถาดังนี้ว่าดูก่อนท่านผู้อยู่อรุเวลามานานจริงๆเนี่ยอรุเวลาเนี่ยอรุเวลกัสปะก็มาจากจริงๆอ่ะท่านชื่อกัสปะโคตเนี่ยนะแต่เชื่อว่าอุรุเวลาก็คือชาวอุรุเวลาเนี่ยนะก็คืออยู่ที่นั่นมานานแล้วท่านเนี่ยเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชนผู้พร้อมกําลังประพฤติพรตประพฤติวัดเนี่ยนะวัดในการบูชาไฟวัดในการอาบน้ําล้างบาป ท่านเห็นเหตุอะไรทำไมจึงยอมละการบูชาเพลิงทําไมมาเลิกบูชาไฟอะไรนะทำไมเลิกบูชาไฟมาเดินมาแบบนี้เหมือนันน่ยเพราะปกติไม่ใช่ว่าจะทิ้งสานักกันได้ง่ายๆขนาดนั้นใช่ไหมนี่ทิ้งสํานักทิ้งการบูชาเพลิงลอยกระเบื้องลอยถาดลอยอะไรไปหมดแล้วเนี่ยนะตอนนี้มาเลิกมุ่นชาดาเลิกอะไรชดินก็คือผู้มีชาดาทรงชาดามุ่นมวยผมตอนนี้ก็เหลือผมสองนิ้วเนี่ยทำไมต้องละทิ้งอะไรขนาดนั้นเรียกว่าปฏิวัติเหลือเกินเนี่ยทำไมถึงปฏิวัติตัวเองขนาดนั้นเหมือนกัน ดูก่อนกัส ป, ปะเราถามเนื้อความนี้กับท่านท่านเลิกละการบูชาเพลิงที่ทําทําไมเหตุผลทําไมพระอุรุเวลกัส ป, ปะก็กราบทูลตอบว่ายันทั้งหลายเนี่ยนะคือยันเนี่ยแปลว่าการบูชานะคำว่ายันโดยศัพท์แปลว่าการบูชาการบูชาทั้งหลายเนี่ยถ้าบูชาเพื่ออะไรก็ยกย่องรูปแต่ว่าคนบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม เหมือนกับว่าไปไหว้ศาลพระภูมิไหวเจ้าพ่อไหวเจ้าแม่ไหวศาล น, นูนศาลนี้ที่นั่นที่นี่ไหวเพื่ออะไรเ พ, พื่อขอขออะไรก็ขอรูปขอเสียงขอรถที่น่าปราถนาถ้าผู้ชายไหวก็ขอสตรีเพิ่มอีกหน่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีอยู่เท่านี้แล้วก็ยกย่องรูปยกย่องเสียงยกย่องรถที่น่าปราถนายกย่องสตรีทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้ารู้ว่านั่นเป็นความเศร้ามองในอุปธินี่นะนั่นเป็นความเศร้าหมองนั่นเป็นมณทินในขันห้า คือว่าเป็นความเศร้ามองในขันห้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงไม่ยินดีการเส้นสวงคือการบูชาแบบนั้นทั้งบูชาแบบเล็กบูชาเล็กบูชาน้อยบูชาใหญ่บูชาขนาดไหนก็ช่างเถิดการบูชาพอบูชาเสร็จบูชาไฟเพื่ออะไรบูชาน้ําบูชาลมบูชาไฟบูชาด้วยการชำระอาบน้ําล้างบาปเป็นต้นก็เพื่ออะไรก็เพื่อรูปสวยๆเพื่อเสียงเพราะๆเพื่อกลิ่นหอมๆเพื่อรสอร่อยเพื่อสตรีทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละเพราะสิ่งที่ ที่ทำเนี่ยนะก็ปรารถนาวัตตะก็เป็นการทําเพื่อวัตตะเป็นการทําเพื่ออุปทิอุปทิปแปลว่าทรงไว้ซึ่งทุกข์ก็เป็นการยังสแสวงหาทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการบูชาเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมต่อไปสู่สังสารทุกข์พอเห็นเหตุเหล่านี้ก็เลยเลิกบูชาบ้างครัพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แต่ถามมาดูก่อนกัสส ป, ปะก็ใจของท่านไม่ยินดีในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นดูก่อนกัสส ป, ปะ เมื่อเป็นเช่นนั้นใจของท่านยินดีในสิ่งไรเล่าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกขอท่านจงบอกเนื้อความนี้แกเราเอารูปท่านก็ไม่ต้องการเสียงท่านก็ไม่ต้องการรสอร่อยท่านก็ไม่ต้องการแต่จริงถ้าให้เต็มพูดตามคำของพระกัสปะก็บอกสตรีท่านก็ไม่ต้องการแล้วอ่ะสรุปในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกแล้วท่านต้องการอะไรพระอุรุเวลกัสปะก็กลับทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นทางอันสงบ คือบัตรนี้เห็นอริยมรรคที่เป็นทางแห่งพระนิพพานทางนี้ไม่มีอุปธิหรือบัตรนี้ข้าพเจ้าเห็นบทอันสงบคือพระนิพพานเป็นบทที่ไม่มีอุปธิเป็นบทที่ไม่มีความกังวลเป็นบทที่ทําให้ไม่ติดข้องในการมาพบและก็เป็นบทที่ไม่แปรสภาพไปเป็นอย่างอื่นคิดว่าไม่แปรภาวะเนี่ยนะนิพพานจะเมื่อใดสมัยพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้ในอดีตขนาดไหนหรืออนาคตปานใดก็ตามภาวะนี้ไม่เป็นอย่างอื่น เพราะอะไรเป็นภาวะที่สงบเป็นภาวะที่ไม่มีอุปธิเป็นภาวะที่ไม่มีความกังวลเป็นภาวะที่ไม่ติดข้องอยู่ในภพและก็ไม่ใช่เป็นธรรมะที่ผู้อื่นจะแนะให้บรรลุได้คือคือไม่ใช่ว่าตัวตัวพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่สั่งกันได้อะไรกันได้แต่ได้ด้วยการปฏิบัติชอบเท่านั้นเนื่องจาก แต่ตรงๆบอกว่าเนื่องจากเห็นนิพพานนั่นแหละก็เลยไม่ยินดีในการบูชายันเส้นสวงเพื่อปรารถนารูปเสียงเปลี่นรสโภตาผ้าอีกต่อไปเนี่ยนะก็คือเขาบอกว่าอะไรมันจะยิ่งใหญ่กว่าการแทงตลอดพระนิพพานแล้วเมื่อแทงตลอดพระนิพพานแล้วไม่รู้จะบูชาสิ่งเหล่านั้นไปทําไมเนี่ยนะอย่างก็เหมือนกับว่าอม เมื่อบุคคลขึ้นถึงตำแหน่งที่สูงสุดแล้วเนี่ยนะถามว่าจะต้องไปเที่ยวกราบไหว้หาเสียงจากพวกระดับล่างๆอยู่ไหมอย่างนั้นเนี่ยคือการกราบการไหว้เนี่ยถ้าพูดแบบทั่วๆไปก็เหมือนกับการไปไหว้พวกคนในสลัมคนที่ตกทุกข์กได้ยากช่วยแกาคะแนนให้หน่อยนะช่วยช่ว ย, วย่วยหน่อยนะอะไรเป็นตัวแบบเนี้ยตอนหลังถ้าตัวเองเกิดมาในชาติตระกูลจักรพรรดิแล้วครองจักรพรรดิไปแล้วเนี่ยถามว่าจะต้องไปเที่ยวไหว้ตามคนเหล่านั้นไหมบอกไม่จําเป็นฉันใดปุถุชนทั้งหลายที่ ที่ไหว้บูชายัญอะไรทั้งหลายเพื่อปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกับเนี่ยแหละไปเที่ยวไหว้เพื่อขอคะแนนเสียงขออะไรเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าถ้าขึ้นเป็นจักรพัติสมบัติแล้วเนี่ยโดยธรรมด้วยมีอำนาจยิ่งใหญ่แท้จริงเนี่ยจะต้องไปอ้อนวอนอะไรขอความช่วยเหลืออะไรจากใครไหมเม <Lie> ื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านจะขอความช่วยเหลือจากไฟไหมการบูชายัญคืออะไรก็คือการขอความช่วยเหลือจากไฟขอความช่วยเหลือจากน้ำ ขอความช่วยเหลือจากลมขอความช่วยเหลือจากเนยใสยเนยข้นจากเชื้อเพลิงทั้งหลายคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะให้รูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นห อ, อ, อมๆรสอร่อยๆจะได้สตรีอย่างที่ตัวเองป้องการเพราะฉะนั้นเมื่อได้พระนิพพานแล้วก็ไม่รู้จะทาอย่างนั้นไปทําไมว่างั้นก็เลยเลิกจริงก็ตอบง่ายก็เป็นพระรหารแล้วก็เลยเลิกว่างั้น ลำดับนั้นท่านพระอรุเวรและกัสริยก็ลุกจากอาสนะห่มผ้าอุตราสงเฉียงบาทศบเสียนลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีร enfin พระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธสาวกพระเจ้าข้าเนี่ยนะก็ปฏิญาณว่าพระองค์เป็นศาสดาเป็นผู้แนะประโยชน์โดยเฉพาะเน้นข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งพระองค์เป็นผู้ช่วยให้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งศาสดาเนี่ยมีความหมายอย่างหนึ่งว่าพระองค์เป็นผู้พาพาข้าพระองค์เนี่ยข้ามออกจากภพกันดาลโอฆกันดารพาออกจากสังสารทุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้าพระองค์เนี่ยได้ฟังแล้วทํากิจตามที่ พระองค์สอนเลยเรียกว่าพุทธสาวกก็คือผู้ที่เห็นอริยสัตตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วถ้าในที่อื่นเนี่ยนะในอัตถกถาทั่วไปจะบอกว่าเมื่อท่านกล่าวเช่นนั้นเสร็จแล้วท่านก็เหาะขึ้นไปชั่วลาตาลแล้วก็ลงมากราบแล้วก็เหาะขึ้นไปสองชั่วลําตาลแล้วก็ลงมากราบสามชั่วลําตาลแล้วก็ลงมากราบเหาะไปสี่ชั่วลาตาลห้าชั่วลําตาลหชั่วลําตานเจ็ดชั่วลําตาลเนี่ยนะเพราะลำตาลหนึ่งก็ประมาณ10เมตรเนี่ยนะก็ชั่วลําตานหนึ่งก็สิเมตรสิเมตรก็อกัน ก็สูงเหมือนกันนะก็เหาะไปนู่นแหละประมาณ140เมตร150ยเมตรแล้วก็ลงมากราบเนี่ยนะเพื่อที่จะกล่าวถึงความอัศจรรย์แห่งการเจริญศิกขาตามที่พระพุทธเจ้าสอนลำดับนั้นพรามหมณ์คริหบดีชาวมคตทั้ง12นหุดนั้นก็ได้มีความเข้าใจว่าท่านอุรุเวและกัสปะประพฤติพรหมจรรย์นในพระมหาสมณ น, นะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตกแห่งจิตของ รามเครหา บ, บดีชามมคตทั้ง12บหน้าหดด้วยพระไทยของพระองค์แล้วก็แสดงอนุปพิกาที่จริงก็มีเรื่องอยู่ว่าเข ก, ก็มีสนทนาการว่าโอ้โหอุรุเวลกัสปะเนี่ยนะเป็นเจ้าทิฐิเจ้ามานะนี่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเลยนะไม่ใช่ว่าใครจะไปโปรดง่ายสงเคราะห์ง่ายพระองค์ก็เลยถามว่าเออสนทนาอะไรกันบอกเนี่ยสนทนาว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปเปลี่ยนความคิดลทัทธิของอุรุเวลกัสปะได้นะ พระองค์ก็บอกว่าพราะองค์เนี่ยเปลี่ยนลัทธิทิฏฐิของอุรุเวละกัสปะมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นก็เลยสอบถามว่าอ้าวอดีตชาติพระองค์ก็เคยสงเคราะห์อุรุเวละกัสปะมาแล้วพระองค์ก็แสดงพรมนารทกัสปะชาดกว่าสมัยที่พ ร, พระองค์เป็นพรมเนี่ยพระองค์ก็เคยสงเคราะห์อรูเวละกัสปะซึ่งเขามีทิฏฐิชั่วไม่ใช่เพียงแต่ชาตินี้อดีตชาติเข า, เขาก็เคยเป็นเจ้าทิฏฐิมาแล้วเนี่ยนะก็เนื่องจากไปครบอะไรคู่นาชีวกกัสปะโคตเนี่ยนะก็ เป็นนับถือนัก บ, บวชนุ่งลมห่มอากาศกลายเป็นเจ้าลัทธิเจ้าทิฐิแม้กระทั่งพระนางรุจาราชธิดาเนี่ยนะก็สงเคราะห์ให้สงเคราะห์ไม่ได้ทั้งทั้งที่ระลึกชาติได้เล่าชาติหลังให้ฟังทั้งหมดก็แก้ไขมิจฉาทิฐิไม่ได้จนพรมเนี่ลงมาแสดงลงมาแสดงว่าพรมมีจริงเป็นต้นเนี่ยนะพระราชาเขบอกว่าท่านกสัตริย์เขาก็พูดว่าเพื่อกับพรมนารทากษัตริยเนี่ยนะว่าถ้าหากว่าอชาติหน้ามีจริงนะชาตินี้ขอกรุณาสิ กู้สักพันหนึ่งชาติหน้าใช้ให้คืนแสนหนึ่งอะยงเ้นก็บอกว่าโอ้นี่ถ้าพระ อ, องค์คนดีก็จะให้กู้อยู่หรอกแต่นี่แม้ชาติหน้าท่าท่านจะตกนรกไม่รู้จะไปร้องเรียกเอาคืนจากใครเนี่ยนะเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ในที่สุดพระ อ, องค์ก็แสดงธรรมะให้ฟังนะก็เปลี่ยนจากลทัทธิมิชชาทิธิก็กลายมาเป็นคนดีก็จะให้ทานรักษาศีลเป็นต้นปันพระ อ, องค์ก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็แสดงถึงข้อปฏิบัติที่เปรียบเหมือนรถเนี่ยนะเปรียบเหมือนรถแสดงธรรมจบ การแสดงเหล่านั้นเนี่ยนะก็เป็นการแสดงทั้งทานศีลสวรรค์โทษความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอ น, นิสงฆ์แห่งเนคคำมะทั้นพรหมนารถากสปชาดกนั้นถือว่าเป็นธรรมะที่แสดงทั้งอั ส, สาธาอาทีนวะและนิสรณนะเพราะตอนท้ายเนี่ยประกาศอริยสัจธรรมที่ประกาศอริยมรรคทั้งหลายที่เป็นข้อปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งที่เปรียบด้วยรถนั่นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิต ปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสจึงประกาศธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยนิโรธมักดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็เกิดขึ้นแก่พราหมณเครือหาบดีชาวมคตสิบอนหุตมีพระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นประมุกณนะที่นั่งนั่นแล ดูดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นพรามคริษหบดีอีกหนึ่งหหุตก็แสดงตนเป็นอุบาสกเยนะบรรลุตั้งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยนะพวกเราหายหน้าหายตาไปไหนเขาประชุมกันตั้งมากมายขนาดนั้นเนี่ยนะไม่ไปอยู่ร่วมกับเขาเลยนะยเล็กนะไม่ทำอะไรอยู่ตอนนั้น ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามคตราชได้เห็นอริยสัจแล้วเนี่ยนะเห็นธรรมก็คือเห็นอริยสัจจะธรรมแล้วบรรลุอริยสัจจะธรรมแล้วได้ตรัสรู้อริยสัจจะธรรมอย่างแจ่มแจ้งแล้วทรงมีอริยสัจจะธรรมอันยังลงแล้วข้ามความสงสัยในพระตนะตรัยได้แล้วปราศจากถ้อยคําแสดงความสงสัยในพระตนะตรยัยทรงถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องทรงเชื่อผู้อื่นในคําสอนของ พระศาสดาอีกต่อไปได้ทูลพระวาจานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยมีความในใจคิดไว้ห้าอย่างว่าครั้งก่อนเนี่ยเมื่อมอมฉันยังเป็นราชกุมารได้มีความปรารถนาไว้ห้าอย่างบัตรนี้ความปรารถนาห้าอย่างของหม่อมฉันสําเร็จแล้วนี่ยนะเขาปรารถนาอะไรบ้างเนี่ยนะราชกุมารหนุ่มเนี่ยนะเขพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพิมพีเนี่ยเป็นพระประดุลทองเนี่ยพิมพิสาก็คือเป็นผู้ที่มีรูปงามมากเลยนะ เป็นพระราชาที่มีรูปงามและบริวารมากเหลือเกินเนี่ยนะเป็นพระราชาที่เขาเลยเรียกว่าพิมพิสารเนี่ยนะพิมพิพิมพินี่แป ล, แลว่ารูปเช่นทองคือคนรูปงามมากเลยสมัยที่เขาเป็นราชกุมารหนุ่มเขาเรียกว่าเจ้าฟ้าเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้อแรกครั้งก่อนเมื่อมัมชั้นยังเป็นราชกุมาร ได้มีความปรารถนาไว้ว่าชะไหนเนาชนทั้งหลายเพึงอภิเษกเราในราชสมบัติดังนี้นี้เป็นความปรารถนาของหม่อมชันประการที่หนึ่งบัตรนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมชันสําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข่าปรารถนาอยากจะให้เขาอาภิเสกตัวจะได้เป็นกษัตริย์เนี่ยนะจะได้เป็นพระราชาผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วเรียกว่าสา ม, มารถที่จะสั่งฆ่าคนที่สมควรฆ่าสั่งปรับคนที่สมควรปรับเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าสมัยนั้นปกครองโดย สมบูรณ์อานายาราสิทธิราชเนี่ยเรียกว่าอำนาจอยู่ที่พระราชาแต่พระองค์เดียวเนี่ยนะข้อที่สองข้าพระองค์ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จมาสู่แว่นแควนของหม่อมชั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมชั้นประการที่สองบัดนี้ความปรารถนานั้นของหม่อมชั้นก็สําเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะคือบ้านเมืองใดเนี่ยนะที่ปรารถนาความสงบร่มเย็นบ้านเมืองนั้นจําต้องปรารถนา พระอรหันต่างหลายเพราะประชาชนทั้งหลายถ้าไม่ได้ฟังถ้อยคําของผ้าอรหันตั้งหลายประชาชนจะคิดอะไรเนี่ยนีก็จะจิตใจก็เป็นไปกับอกุศลกรรมบดทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้ามีพระอรหันตั้งหลายเนี่ยนะเสด็จมาในเว่นคว้นประชาชนทั้งหลายบ้านเมืองนี่สงบร่มเย็นแน่เพราะว่าบ้านเมืองเหล่าใดที่ประชาชนอยู่โดยธรรมยิ่งประชาชนที่ประพฤติกุศลกรรมมาบดประชาชนที่บรรลุธรรมจากคําสอนของพระพุทธเจ้า การสงเคราะห์ประชาชนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นถามว่าพระราชาจะได้บุญขนาดไหนเนี่ยนะสร้างถนนให้ประชาชนที่คนดีทั้งหลายเดินเนี่ยนะขุดสระน้ําขุดบ่อน้ําทําสังขาวัตถุ4ไม่ว่าจะเป็นให้ทานปิยะวาจาอัฏฐเจริยาสมาน ะ, ต, ะตาตาสงเคราะห์คนดีมีศีลจะได้บุญขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยดีวันกฎหมายก็ไม่ต้องได้ใช้เท่าไหร่เนี่ยเพราะมีแต่คนดีซะส่วนใหญ่ นั้นเมื่อคนดีคนดีก็จะมีอำนาจเมื่อคนดีมีอำนาจคนเลวทั้งหลายก็ไม่ได้โอกาสมันจึงมีความปรารถนาว่าขอให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่แว่นแคว้นของหม่อมชันบัดนี้ก็สำเร็จแล้วก็อสองก็สามหม่อมชันได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอหม่อมชันพึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์งนั้นนี้เป็นความปรารถนาของหม่อมชันประการที่สามบัดนี้ความปรารถนาของหม่อมชันสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ จริงนะเป็นพระราชาเนี่ยจะให้บอกว่าถ้าแบบอะไรนะนักบวชทั้งหลายมาขอเฝ้าอะไรจะโดยมากจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าแม้จะละพยศละมานะทิ้งมานะกษัตริย์เข้าไปหาสั ม, มณพราหมณ์ผู้ทรงศีลไม่ใช่ง่ายต้องตั้งความปรารถนาไว้ก่อนถ้าไม่ตั้งความปรารถนาไว้ก่อนเนี่ยนะจะถามว่าเอาชีวิตไปทําอะไรก็ดูหนังฟังเพลงแค่แคนั้นแนหะนนะก็จะมีอะไรนะเชื่อเถอะคนโดยมากไม่ชวนไปฟังทำหรอกคนที่กลุ่มประจบสอพลอทั้งหลายโดยมากไม่ ไม่ชวนไปฟังธรรมแล้วถามว่าใครที่จะได้รับคําชื่นชมที่สุดเท่าพระราชาใช่ไหมคนเหล่านี้ก็บอกว่าพระองค์่าแต่สมมุติเทพค่าแต่เทวดาในหมูค่คนคนก็ยกย่องยิ่งว่า อ, อู้จัตตาลอยได้เพราะคํายกเนี่ยมันก็ลอยไปนานแล้วนะเพราะจะได้คําที่ยกย่องคําที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นต้นนั้นต้องตั้งจิตเอาไว้อย่างดีเลยว่าถ้าเป็นพระราชาเขาให้พระอรหันต์เข้ามาในแว่นแหวนและตัวเองเนี่ยต้องเป็นตัวที่ผู้ที่เข้าไปหาพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะ พันข้อนี้ความปรารถนาก็สำเร็จเพราะหม่อมชันก็ได้เข้ามาเฝ้าพระ อ, องค์แล้วในบัดนี้ว่า